แต่ก็ยังไม่งามและเด่นสว่างเท่ากับเจ้าได้เลยนะวาสถีท่านยังทำให้ข้าหลมไหลในท่านไม่พออีกหรือกามนิศข้านั้นไม่ใช่แสงแห่งทางช้างเผือกหรอกนะจริงสิกามนิศคืนนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงนี่นาท่านมากับข้าทางนี้แนะ่นั่นอย่างไรกามนิศแสงสีขาวสวยที่บนฟากฟ้านั่นไง คือแสงแห่งทางช้างเผือกและนั่นล่ะในน้ําคงพาสวรค์ที่ท่านอยากเห็นโอเชงดเงามจับใจยิง่งนักว่าสิชีข้าเพิ่งได้ไประจับแก่สายตาได้เห็นครบแม่น้ําทั้งสามสายกลายเป็นจุลาตรีคูนในคืนนี้เองและที่สําคัญข้าได้เห็นจุลาตรีคูนตําบลอันศักดิ์สิทธิ์โดยที่มีคนรักของข้าอยู่เคียงข้างเช่นนี้ ข้ามีความสุขยิ่งนักวาสิธีทั้งสองยืนกอดกันชมความงามของจุราตริรีคุณอย่างมีความสุขท่านนั้นอาจจะเคยเกิดเป็นพระนนท์แห่งครั้งมหาภารตะยุทธก็เป็นได้นักการมณีและข้าก็อาจเป็นนางโธมยันตีคนรักของพระนนท์วาสิธีเจ้าระลึกได้จริงๆหรือนี่ยังรอการมณี ท่านั้นยังระลึกถึงอดีตชาติที่ร่วมมาแล้วไม่ได้หรอถ้าเพียงเชื่อว่าท่านและท่านั้นอาจจะคือพระนนและนางธมยันตีน่ะซึ่งหากจะรู้ได้จริงๆแล้วเราจะต้องได้สูตรกลิ่นอันหอมของดอกประวารพฤกในแดนสวรรค์เช่นก่อนดอกประวารพฤกดอกม้แห่งกระกิษณะหรือดอกไปริชาติใช่ไหมถูกแล้วกามนิแต่ตอนเนี้ย เราคงไม่มีโอกาสได้สูดกลิ่นหอมของดอกบาลลชาตกันหรอกด้วยเพราะกลิ่นหอมของดอกอโศกที่นี่นั้นฟุ้งกรบเที้ยสิ้นเลยการมนิทเมื่อเราอยู่ห่างไกลกันขอให้ท่านระลึกไว้เถิดว่าเราเคยได้รักได้สุกกันที่นี่ที่ลานอโศกแห่งนี้และข้า กำลังเพียนถามข่าวคราวของท่านจากต้นอโศกแห่งนี้ด้วยความรักและคิดถึงท่านดังที่นางทงเด่นตีได้เพียนตามหาพระนุนและเฝ้าถามต้นอโศกกลางป่าถึงพระนุนผู้เป็นที่รักยิ่งของนางทันใดนั้นดอกอโศกสีแดงดอกหนึ่งก็ได้หล่นลงมาตกหลงถูกแก้มของทั้งสอง และได้คละเคล้ากับน้ําตาของวาสิทธิวาสิทธิหยิบดอกอโศกสีแดงดอกนั้นขึ้นมาจุ่มพิษและส่งให้กามมณิตข้าจะเก็บดอกอโศกสีแดงดอกนี้ไว้แนบกายของข้าตลอดเวลาเพื่อที่จะได้รำลึกอยู่เสมอว่าเจ้านั้นอยู่เคียงข้างข้าตลอดไปเมื่อพูดจบลงกามมณิทก็หยิบดอกอโศกดอกนั้นเก็บไว้ในเสื้อ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 ดังนั้นในคืนมืดคืนหนึ่งสาตาเกียนจึงได้วางแผนส่งคนนักสิบมาดักประทุกสลายต่อกรมมนิตในขณะที่กำลังปีนหน้าผาไปหาวาสิถีคนรักข้าลอยากรู้จริงๆว่าคืนนี้สาวน้อยวาสถิถีจะแต่งกายที่ชุดสีอะไรมันรอต้อนรับกรมมนิตอยู่ข้างบนนี้นะ ข้าก <laughs> <laughs> of so huh ็อยากรู้เช่นกันว่าคืนนี้เมทินีจะหยิบเจ้ากี่ทีกันนะโสมทัพแต่ข้าว่าเจ้าทั้งสองคนคงหมดโอกาสที่จะได้เห็นนางกันเสียแล้วล่ะเพราะพวกเจ้าจะต้องนอนตายเฝ้าหน้าผากันอยู่ที่นี่แหละพวกเราข้ามันเฮ้ยนี่มันเรื่องอะไรกันโสมทัพตัวว สมทุทรถูกพวกของสาตาเทียนมาดักตุมทำร้ายหมายชีวิตที่กลางทางขึ้นหน้าผาสูงข่ากลางความมืดมิดนั้นตาบ่ายตา ม, ตา ม, มองไม่เห็นกันเกันมีเพียงเสียงร้องเสียงถางและแสงสเก็ดไฟและแปลกปลาอย่างที่คกลมดาวประสานกันข้ามัน สามนาทีข้าอยู่นี่สมมาทัศเร็วถอยมาอยู่ข้างๆข้าเอาหลังพิงผาหินสู้กับพวกมันวะขอบเลยพวกกบกัดยิงสนะระวังสมมาทัศนี่เด่นเชิอะไที่ทันนี้พวกมันเท่าจะมากันมากเจเดยืนไว้เขาว่าข้าเก็บพวกมันไปได้สองคนแล้วละ่ะคงนองอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละ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 จึงคว้าไม้ไผ่ขึ้นและพุ่งใส่ไปยังแสงว่ากนั้น <c oughs> การมณนิตพุ่งท่อนไม้ไผ่ไปถูกยังคนที่จุดตะเกียงได้อย่างแม่นยำทำให้ตะเกียงตกลงพื้นและดับลงสนิทความมืดมิดจึงปกคลุมอีกครั้งไปเร็วสมชั์ตามข้ามาทางนี้เร็วการมนิตได้อาศัยจังหวะที่เราคนร้ายกาลังพากันตกตะลึง พาสมทัศน์วิ่งย้อนหนีออกไปอีกทางหนึ่งด้านที่ขนจุดตะเพียงถูกเขาพุ่งไม้ไผ่เสียบตายซึ่งแสงที่เกิดว่าขึ้นเพียงนิดเดียวนั้นช่วยให้การมนิษมองเห็นทิศทางของช่องผาจนพอจดจำทางได้ท่ามกลางความมืดมิดนั้นกามนิษและสมทัศน์อาศัยความที่คุ้นเคยเส้นทางเป็นอย่างดีพากันไต่ลงจากภูเขาได้อย่างปลอดภัย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 ให้ข้าพันแผลกับท่านก่อนเดี๋ยวข้าจะช่วยพาพยุงท่านกลับบ้านปาน่านนี้วาสิถีและเมธินีคงนั่งรอเรากันอย่างกังวลใจโทษวาสิถีรุ่งเช้าสมทัตก็รีบออกไปแจ้งข่าวแก่เมธินีในขณะที่กรมนิดนั้นต้องนอนสมด้วยพิษไข้และบาดแผลอยู่ที่บ้านเกิดเรื่องชินี้ขึ้นได้อย่างไรถึงว่าสิ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 ก็จะรีบกลับไปดูแลกามนิชตอ๋อจะบอกวาสิทถิไปเพียงว่ากามนิชต์ฟกช้ำแค่นิดหน่อยเท่านั้นนะข้าไปก่อนละเมทินีเมื่อไปถึงที่ปราสาทของวาสิทธิก็พบว่าวาสิทธินั้นนอนป่วยอยู่จึงไม่รีบปลุกและบอกนางตราบจนบ่ายคล้อยวาสิทถีจึงได้ตื่นขึ้น และเมื่อได้ฟังข่าวของคนรักนางก็ร่ำให้ด้วยความห่วงใยโทษกาิตย์นี่ท่านต้องมาเสี่ยงชีวิตก็เพราะข้าแท้ๆ้ตื่นแล้วหรือหวาสิทธีเป็นอย่างไรบ้างลูกรักอาการเจ้าดีหรือยังอ้าวนี่เจ้าร้องไห้หรือนี่ปด่าว่าท่านพ่อลูกเพียงฝันลายนะ่ะ ตอนนี้ลูกหายดีแล้วนี่เป็นข่าวที่น่า ย, ยินดีนะลูกรู้ไหมทุกคนล้วนพากันเป็นห่วงในอาการป่วยของลูกเมื่อสักครู่นี้สาาเคียนบทท่านประธานมนตรีก็มาเยี่ยมเจ้าอย่างไรเสียลูกก็ต้องพักผ่อนให้มากๆจะได้แข็งแรงดังเดิมเออนี่เมทินี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 ทั้งกรรมนิจและวาสิถีก็หายดีเป็นปกติและทั้งสองก็เริ่มนัดพบกันอีกครั้งแต่คราวนี้ต้องนัดพบกันตอนกลางวันกลางที่ชุมชนและไม่อาจพูดจา ก, กันได้อย่างเปิดเผยนัทกทอการมนิจของข้าท่านแลดูซุกซຽมเหลือเกินนี่เป็นเพราะข้าแท้ๆเชียวที่เหนียวรังท่านไว้ ฉันต้องประสบกับอันตรายจากพวกของสาตาเพียนเจ้าอย่ได้พูดเช่นนั้นสิวาสตีข้านั้นสมัครใจที่จะได้อยู่ใกล้ๆเจ้าและข้าก็สุขใจยิ่งนักต่อให้พยันตรายใหญ่หลวงแค่ไหนข้าก็มีเคยวันขอเพียงข้าได้อยู่กับเจ้าก็พอแล้ววาสถีข้าดีใจเหลือเกินที่ได้พบเจ้าข้าก็ดีใจั้าันนี้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 วาสิถีก็เหลือบสายตาไปเห็นพวกของสาตะเคียนเดินมุ่งมาแต่ไกลกามนิสเรื่นงผู้ของสาตาเคียนกำลังเดินมายัางเราท่านกลับไปก่อนเถิดเหตุใเราจึงต้องหลบพวกมันด้วยล่ะ ว, วาสิถีข้าไม่กลัวพวกมันรอกที่รักของข้าแม่ข้าจะต้องเจ็บปวดที่ต้องเฝ้าทนทุกข์คิดถึงท่าน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 ก็ได้ข้าจะทำเพื่อเจ้าแต่ก่อนที่ข้าจะต้องจากเจ้ากลับกรุงอุเฉนีขอให้เราสองคนได้มีโอกาสพบกันตามลำพังเพื่อรวลากันอีกสักครั้งก่อนเถิดแล้วข้าจะคิดหาคนทางอีกทีตอนนี้เราแยกกันก่อนเถนะที่รักพวกมันเข้ามาใกล้แล้วอีกสามวันต่อมา กามนิทก็ได้คุมกองเกวียนออกจากกรุงโกสัมพีตั้งแต่ยามบ่ายขณะที่ผู้คนกําลังพุกพล่านเพื่อแสดงให้แก่พวกของสาตะเพียนได้เห็นว่าเขาได้คุมกองเกวียนกลับกรุงกูชานีแล้วแต่เมื่อกามนิทเดินทางไปจนถึงหมู่บ้านแห่งแรกเขาก็พากองเกวียนหยุดพักที่นั่น แล้วตัวเขาเองก็รีบควบม้าย้อนกลับมาทางกรุงโกสัมพีอีกครั้งแลี้วเลี้ยวมุ่งเพื่อไปยังบริเวณป่าประดูหลายที่อยู่ทางด้านตะวันออกของกรุงโกสัมพีอันมีเทวไลของพระกิศณาร้างอยู่แห่งหนึ่งซึ่งมีหญิงชาราอาศัยอยู่และที่แห่งนี้เป็นที่ที่คนหนุ่มสาวนิยมพากันมาพบหญิงชารา เพื่อให้นางช่วยทำานายถึงเรื่องความรักและอนาคตนี่ก็คืออุบายของวาสิทธิคขานี้นางได้ขอบิดาไปพบหญิงชาราที่เทวัยร้างนอกเมืองโดยไปกับเมธนีและพวกบ่าวอีกหลายสิบคนบิดาของนางไม่มีสิ่งใดสงสัยจึงอนุญาตแต่โดยดี กามนิทควบม้ามาถึงบริเวณป่าประดูรายในตอนค่ำเขาได้พบพวกเบาวของโสมทุทศน์และวาสิถีกระจายกันอยู่รอบๆ บ, บริเวณเทวไลาจึงรีบควบม้าผ่านเข้าไปยังเทวไลานั้นและพบวาสิถีสมทุทศน์และเมธินียืนรออยู่ววาสวาสสิิ นี่ข้าไม่ได้พบเจ้าเพียงไม่กี่วันแต่ข้ารู้สึกว่ามันช่งนานเหลือเกินข้าก็ชิ่นกัน่ามอนิททั้งสองโผเข้ากอดกันด้วยความโหยหายิ่งพวกท่านพูดคุยยังตามสบายแต่นะข้ารับรองได้ว่าจะไม่มีใครมารบกวนพวกท่านแน่เดี๋ยวข้ากับเมทินีจะเข้าไปพบแม่หญิงชาราข้างในเทวไล่ะไปกันเถิดเมทินี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 ทั้งสองปฏิญญาณว่าจะซื่อสัตย์ต่อกันตลอดไปจากนั้นคู่รักต่างก็ปรึกษากันถึงหนทางที่จะทำให้รักได้สมหวังด้วยความสุขใจเป็นยิ่งนะไม่ช้าเมธินีและสมะทัตก็ออกมาจากเทวัลพร้อมกับหญิงชราซึ่ ง, งานางได้มองแล้วก็ทักพร้อมอาสาจะทำนายความเป็นไปในภายหน้า ให้กับกาแมนิทและวาสิธีแต่วาสิธีปฏิเสธไปว่านางและกามนิทเป็นเพียงผู้ติดตามของเมธินีเท่านั้นหญิงทราจึงกลับเข้าไปข้า ข, ข้าหวังวิตกว่านางจะทำนายแต่เรื่องร้ายข้าคงจะทนรับฟังไม่ไหวเป็นแน่กามนิท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 และเมื่อชีวิตอันสั้นและหลันโทษนี้สิ้นลงเราก็จะไปเสาะหากันในสวงสวรรค์และอยู่ครองที่พยสุขร่วมกันที่นั่นการมนิขอท่านให้คำมั่นนี้แก่ข้าเถาิดนะเพราะจะทำให้ข้าได้ยืนหยัดมีพละกำลังเหนือกว่าได้คํคำปลอบประโลมใดๆเพราะเราไม่อาจต้านทานเคราะห์ร้าย ที่โถมกระนำอยู่นี้เหมือนดังต้น อ, อ้อมีอาจความก้านสายน้าเชี่ยวขอเพียงมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวทุ่มเทกํากลังทั้งหมดเพื่อชีวิตใหม่เราสองคนก็จักสมหวังเป็นแน่แท้หากอาศัยความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวแล้วจักสมหวังใจวสติที่รักฉันไหนเลยข้าจะหาเจ้าไม่พบเล่า ไม่ว่าจะเป็นโลกสวรรค์หรือว่าโลกใดๆแต่ขอเราจงหวังถึงชีวิตใหม่ของเราในโลกนี้เถิดอย่าเลยโลกนี้ทุกสิ่งหาความแน่นอนไม่ได้แม้แต่ช่วงเวลาที่เราพูดกันอยู่นี้ก็หาใช่ของเราไม่สวรรค์จึงจะเป็นสิ่งที่จริงแท้สวรรค์มีจริงๆเหรอสวรรค์อยู่ไหนวาสิทธีสวรรค์อันสว่างรุ่งเรืองไพศาลนั้น อยู่ทางทิศตะวันตกผู้ใดรู้สึกเบื่อหน่ายในวิสัยโลกแล้วตั้งจิตเป็นสมาธิมุ่งแต่สถานอันเป็นบรมสุขก็จะได้เหตุอุบัติในดอกบัวกลางน้ำอันฝักฝิดบนแดนสวรรค์ทุกครั้งที่จิตคิดดีทุกครั้งที่ปฏิบัติดีดอกไม้คิดนั้นก็จเจริญงอกงามแต่ถ้าความคิดวาจาและการกระทา เ, เป็นไปในทางชั่ว ดอกไม้ทิพนั้นก็จะเหี่ยวแห้งไปโดยเร็ววาสิทธีชี้ไปบนท้องฟ้าที่มีทางช้างเผือกสว่างเป็นทางอยู่ดูสิกามนิปนั่นคือแม่น้ำคงคาในสวรรค์ขอให้เราปฏิญญาต่อสายน้ำคงคานั้นซึ่งหล่อเลี้ยงดอกบัวนในสระบนสวรรค์ให้เรามุ่งดวงจิตแน่วแน่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 การภายหน้าจะได้พบกันอีกครั้นแล้ววาสิถีก็หมดแรงต้านทานต่อความอาลัยพ l a หหายสิ้นสติลงตมามมนิทค่อยประคองนางส่งให้เมธินีด้วยความอาลัยยิ่งแล้วตัดใจกระโดดขึ้นหลังมา้าควบออกจากที่นั้นไปวาสิถี ค่าขอฝากพวกท่านช่วยดูแลวาสิทธีของข้าด้วยนะเมทินีโสมทัศ์สหายรักแล้วข้าจะรีบ ก, กลับมากองเกวียนของกามนิตร้อนแรงเดินทางจากโกสัมพีมาได้สิบสองวันก็มาถึงบริเวณหุบเขาที่ร่มรื่น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 กาแมนิตก็ขึ้นมานอนเอนกายทิศใต้ต้นไทรใหญ่อย่างสบายอารมณ์จนกระทั่งเคลิ้มหลับไปวาสิธีวาสิธีนี่เจ้าจุง ม, มือจะพาข้าไปที่ไหนเราไปสู่แดนสวรรค์ด้วยกันนะกามนิสสวรรคหรือนี่คือแดนสวรรค์หรือวาสถี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 จึงรีบคว้าดาบคู่กายแล้ววิ่งเข้าไปสมทบกับพวกบบาวที่กลุ่มกองเกวียนที่จัดเป็นวงร้อมต้นไม้ใหญ่ไว้ข้ามาแล้วไม่ต้องกลัวพวกมันรีบนี่นี่แหละทั้งสองฝ่ายเขาฟาดฟันห้ามหันกันอย่างไม่กลัวเกรงพวกบบาวของกรมมณิตเองนั้นก็ล้วนเคยฝึก ด, ดาบและเคยเจอเจอพวกโจรปล้นชิงกันมาแล้วทุกคนนี่แหละ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 จนดาบของกามนิตกระเด็นหลุดจากมือและตัวเขาเองก็ล้มลงนี่นี่จอมจ อ, อร์นุคลีมานเราจะต้องตาย แ, แล้วนี่วาสิีวาสิีองคุรีมานเดินก้าวเข้ามายืนคร่อมร่างของกามานิตแล้วเงื้อดาบขึ้นอีกครั้งหมายที่คอของกามนิตเจ้าตายก็เถอะ อย่าองค์ุริมานอย่าทัานใดนั้นเองก็ได้มีชายศีรษะโล้นใบหน้าเกลี้ยงเก่าปิดโจรทั่วไปปราดเข้ามาคว้ามือขององค์ุริมานเอาไว้อย่าทําเช่นนั้นองค์คุริมานเราต้องเก็บเจ้าหนุ่มคนนี้เอาไว้ข่าต้องฆ่ามันท่านวาจชศพมันบังอาจข่าวิชานมันต้องตายแต่เราออกมาปล้นกันเพื่อสิงใดกันเล่าองค์ุริมาน เพราะพวกเราต้องการเงินทองเพื่อปากท้องของพวกเราไม่ใช่หรือเก็บชีวิตมันไว้เรียกค่าไถ่ตัวเพื่อปากท้องของพวกเราเธอฮึ่ยข้าเลายอยากข่ามันที่นักจับมันไมาตะไว้องค์คุรีมานแหกขับแขนใจยิ่งนักที่ม่อาจฆ่าก ร, รมมณิตให้สมแขนได้ดั่งใจจึงกระชากสร้อยแก้วตาเสือจากคอของกรรมัมมิตออกมาเพื่อระบายแขน กามนิตเมื่อรู้ตัวว่ารอดตายแน่แล้วก็หันไปมองดูรอบๆกายแต่แล้วก็ต้องให้เศร้าสลดใจเมื่อเห็นพวกบ่าวไพร่ต่างกูฆ่าล้มตายกันกลาดเกลื่อนเหลืออยู่เพียงโกริศบ่าวคนสนิทของปีดาซึ่งถูกจับมัดมือไพรหลังอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้น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 โหร้องเต้นรำด้วยกามนิตเห็นภาพอันอเนกอนาจใจเช่นนั้นก็ต้องเบือนหน้าหนีแต่ก่อนที่เขาจะหลับตาลงเพื่อนหนีภาพความจริงนั้นพลันเขาก็เห็นดอกอโศกสีแดงที่วาสิถีมอบไว้ให้แก่เขาหล่นอยู่ที่พื้นหญ้าและพวกโจรคนหนึ่งก็ได้เหยียบลงบนดอกไม้นั้นกามนิท แค้รู้สึกปวดรา้าวเรากับได้ถูกโจนคนนั้นเยียบย่ำลงตรงกลางดวงใจวาสถิถีโท่วาสิถีพวกโยนต่างพากันรือคน้นทรัพย์สินตามกองเกวียนบ้างก็เชิดโคนำมาปิ้งย่างแจกจ่ายกันอย่างสนุกสนานว่าจะสพพร้อมสมุนอีกสองคน หรวมทั้งองคุรีมานนำตัวโกริตผู้เบาเดินตรงมายังเขาข้าจะปล่อยเบาของเจ้ากลับไปบอกข้อแม่ของเจ้าว่าให้ส่งเงินมาถ่ายตัวเจ้าห้าสิบมืนจาระหันะภายในเวลาหนึ่งเดือนพาได้มาในครบจํานวนหรือช้าไปเพียงครึ่งวันข้าจะพาเจ้าเป็นสองท่อนและโยนศพเจ้าว่าให้บุกคลได้ดูได้เห็นกันตามทางเดินด้วยมือของข้าเองจำเอาไว้ องคุริมารเขียนตัวอักษรสองสามตัวลงบนใบลานแล้วยื่นให้วาจสบเจ้าจงถือใบลานขององคุริมา น, นี้ติดตัวไว้ตลอดเวลามันจะช่วยให้เจ้าผ่านทางได้สะดวกหากฝากพวกโจรไม่ว่ากลุ่มใดก็ให้พวกมันดูใบลานนี้แล้วจะไม่มีใครขวางเจ้าหรือกระทั่งขาลับมาที่นี่ ก็ให้เจ้านําเงินมาคนเดียวใบลานนี้จะเป็นใบผ่านทางจะไม่มีใครกล้าชิงเงินบรรญัการฆ่าไทยตัวขององค์ปริ ม, มาณที่เจ้าถือมาเจ้าจงรีบไปและรีบหมายทันกําหนดหนึ่งเดือนเพื่อรักษาชีวิตนายของเจ้าปล่อยมันไปได้โกลิบฝากบอกบิดามารดาของข้าด้วยว่าถ้าปลอดภัยดีและข้าเสียใจยิ่งนัก ที่ทำให้ทุกคนต้องมาเดือดร้อนเพราะข้านายท่านกามนิตข้าจะรีบไปรีบมานายท่านรักษาตัวให้ดีนะขอรับข้าไปละนายท่านเมื่อพูดจบโกริศผู้บา่าวก็ออกวิ่งไปในทันทีแก้มัดห้มันซะพวกเราจะล้องกันในเต็มที่ทันทีที่กามณิทถูกแก้มัดเขาก็วิ่ง ล, ล้นลานไปที่ลานหญ้า หาดอกอโศกสีแดงของวาสิถีแต่ทั่วทั้งบริเวณนั้นไม่มีแม้เศษกลีบดอกอโศกสีแดงสัดนิดให้เห็นอยู่เลยการมนิทนั่งรำพึงรำพันอยู่ที่ลานหญ้าแห่งนั้นโทรบอกวาสิถีมีความสุขของสองเราจากสูญสิ้นแล้วหรือนี่ความสุขที่เราเคยมีที่ลานอาโศกจะไม่มีวันเช่นนั้นอีกแล้วหรือ นี่เจ้าคงเฝ้าถามต้นโศกถึงตัวข้าข้ายังอยู่นะวาสิทีข้ายังอยู่และยังคงรักเจ้าอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงวาสิทีวันเวลาล่วงผ่านไปหลายวันกามนิตต้องร่อนเร่ไปกับพวกกลุ่มโจร หลายครั้งที่เขาได้พบเห็นการต้นค่าชาวบ้านแต่พอถึงยามที่พวกโยนดื่มฉลองกันเมาไมายครั้งใดองคุริมานกร่ำร่ำจะคว้าดาบมาบันคอเขาเสียหลายครั้งด้วยยังคิดแท้นที่กรรมณิทสังหารสมุนคนสนิทไปต่อหน้าต่อตา อ, อ, องคุริมานคาะดีที่ยังมีวัชศกโจรศีสะโลนผู้เป็นดังปราด และครูของหมู่โจรคอยช่วยห้ามไว้ท่านจะทำผิดต่อเจ้าแม่กาลีหรือองคุรีมานสัจจคของท่านที่ได้รับความเชื่อถือในหมู่โจรทั่วไปนั้นฉะไ น, นเลยท่านจะฆ่าหนุ่มกามนิทผู้นี้ให้คนพากันสิ้นความเชื่อถือในสัจจสัญญาของท่านได้เล่าอดใจไว้ฆ่ามันตอนที่บาเข้าขมันัดไทยตัวไม่ทันตามกำหนดเวลาเถิดถ <c oughs> ้าจะรอวันนั้น ข้าจะรอวันได้ข่าเจ้าฮึข้าข้าต้องขอบคุณท่านว่าจะศบอีกครั้งที่ท่านได้ช่วยชีวิตข้าไว้เจ้าอย่าได้กลัวไปเลยกามมนิปตามชะตาของเจ้านั้นเจ้าจะไม่ประสบเคราะห์กรรมเช่นนี้หรอกหากแต่จะเป็นเคราะกรรมอย่างอื่นมากกว่าซึ่งยังคงอีกนานนะักกามนิปเจ้าน่ะเกิดในเริกดาวโจร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 ความว่างเปลา่าคำผีพระเวทและตำนานโบราณข้าเองก็เคยร่ำเรียนทั้งสามเรื่องนี้มาบ้างในเรื่องความว่างเปล่านั้นร่างกายคนหรือสัตว์ย่อมประกอบขึ้นด้วยอนูอันมีขนาดเล็กจนแบ่งแยกมิได้ด้วยเหตุนี้การใช้าดาบฟาดฟันคนหรือสัตว์ดาบย่อมฟันลงไปในที่ว่างเปลา่าระหว่างอนู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 ไปพามันมาหาค่าที่นี่อืมจะมาได้เร็วเกินคาดเขาหวังจะเย็บบันคอนายของเจ้าอยู่แล้วเชียวพวกเจ้านับเงินมนาการสิครบหรือไม่ครบด้วยท่านจอมจุย้ยทางนั้นก็ปล่อยตัวการมนนี้กลับไปได้ให้มันรีบไปให้พ้นสายตาข้าจัดคนของเราสี่คนตามไปส่งมันให้ถึงเมืองอุเชนีหากว่าพวกเจ้าสองคน ในรักอันตรายแม้เพียงนิดไอ้สี่คนนี้จะถูกฆ่าประหารด้วยมือของท่านี่คือสัจจะขององคุลิมานไปได้แล้วข้ากรมมานิดขอขอบคุณในคำสัตมั่นสัญญาของท่านเออแต่ว่าก่อนไปข้าอยากจะขอสร้อยแก้วตาเสือของข้าคืนจากท่าน ด, ด้วยเถิดท่านองคุลิมานไม่ได้ขับปลดเทุกอย่างของเจ้ามาแล้วเหลือเพียงชีวิตของเจ้านี่แหละ ที่บาของเจ้ามาไทยเอาไว้ได้นิจเจ้ายี่ไม่พอใจหรือฮึมเจ้าไปเถิดกามมนิจอย่าได้ห่วงสิ่งใดอีกเลยขอให้เจ้าเดินทางถึงบ้านโดยปลอดภัยนะ <c ance> แล้วเราอาจจะได้พบกันอีกบนเส้นทางสายมืดแห่งเจ้าแม่กาลี <c ance> <c ance> ข้าจะไม่ลืมในความเมตตาของท่านที่มีต่อข้าเลยท่านวายศพคาลาธละ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 ลูกจะได้โกรธพ่อเลยนะเออมทินี่ลุงฝากจะช่วยดูแลวาสิธีด้วยนะข้าท่านลุงท่านอย่าได้ห่วงเลยเมทินีนี่ก็เลยน่าฝนมานานมากแล้วแต่ข้าม่รีบข่าวของกามนิตเลยไม่รู้ว่าเขาเป็นเช่นไรบ้างกามนิตเขาคงหางทางมาพบเจ้าอยู่นั่นแหละวาสิถี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 สาตาเกียนได้นําตัวองคุริมานมาคุมขังไว้ที่กรุงโกสัมพีแล้วตนเองนั้นก็รีบนาสร้อยแก้วตาเสือไปให้บิดาของวาสิทธิดูและแจ้งเรื่องเท็จว่ากามเตศนั้นได้ถูกองคุริมานฆ่าตายเสียแล้วบิดาของวาสิทธิก็ได้แจ้งเรื่องร้ายนี้แก่บุตรี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 เพื่อให้ลูกหมดสิ้นหวังในความรักของลูกเพราะไม่มีเหตุที่จะเชื่อได้ว่าเหตุใดจอมโจรองคุลีมานจะต้องเก็บเอาสร้อยที่ไร้ค่านี้มาห้อยคอไว้ด้วยอืมที่ลูกของพ่อพูดก็ฟังดูมีเหตุผลเอาละเช่นนั้นพ่อก็ยินดีกับลูกด้วยที่นี่ไม่ใช่ข่าวร้าย ขาวร้ายยังไม่คลายไปสิ้นค่ำคืนหนึ่งขณะที่วาสิถีอยู่เพียงลำพังที่ลานอาโศกกามนิปานี้ท่านเป็นอย่างไรบ้างเนอท่านคงกำลังคิดถึงข้าและกำลังเดินทางมาหาข้าใช่ไหมกามนิต้อนอโศกจ๋ากามนิที่รักของข้า สุขสบายดีใช่ไหมว่าสิธีลูกอยู่ที่นี่เองนี่แหละลูกรักพ่อเองก็ไม่อยากที่จะทำให้ลูกของพ่อต้องทุกข์ใจอีกหรอกนะแต่ว่าสาตะเคียนเขาพาองคุริมานมาพบลูกด้วย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 เจ้านั้นเป็นจอมโจรเชไหนเลยคําพูดของเจ้าจะเชื่อได้เช่นนั้นข้าโอค์คุลิมานขอกระทาตัดจักริยาปฏิญาณต่อหน้าท่านข้าแต่เจ้าแม่กาลีผู้เป็นนายิกาของมหาโจรพระองค์พูดทรงนำข้าพเจ้าฝ่าอันตรายมาแล้วนับพันครั้งขอได้สดับคําของข้าพเจ้าเันว่าข้าพเจ้านี้ไม่ได้เคยวดเว้นการทีบูชาพระองค์ มิได้บุพตตนผิดแผกไปจากกฎซึ่งพระองค์ทรงกำหนดไว้ดังนี้เป็นความจริงปานใดที่ข้าพเจ้าได้จัดการแก่การมณิศตามกฎของเราที่ได้กำหนดไปถือถ้าคาไทยไม่มาตามกำหนดเวลาก็ต้องจัดการกับนักโทษโดยผ่าแล่งตลอดลำตัวแล้วทิ้งไว้ในย่านคนเดินขอให้พระองค์ซึ่งเสด็จมาอยู่ใกล้ข้าพเจ้าขณะที่ได้รับความเดือดร้อนสาหัสอยู่นี้ จงได้กระชากโซ่ตรวนที่ร้อยลัดข้าเจ้าบรรดาให้ข้าพเจ้าหลุดจากเครื่องพนานาการของศัตรูโดยประจักษ์ในความจริงด้วยเถินวิญยาพอสิ้นเสียงการกระทำสัจจกกิริยาองค์ุริมานก็สะบัดตัวกระชากโซ่ตรวนจนขาดแล้วกระโดดลงจากลานอาโศกหนีไป ว่าสิทีเมื่อเห็นสัจจกิริยาสำเร็จผลดังนั้นก็ให้หมดความสงสัยและหมดหวังในความรักลงทันทีโอ้กามนิี้ยายท่านมาดวนจากข้าไปกามนนี้ยายท่านมาดวนจากข้า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 จอมจอนองคุริมานถูกฆ่าตายแล้วท่านพ่ออะไรกันอะไรกันใครเป็นใครตายกันเจ้าถึงได้ยิ้มรรื่นเข้ามาหาพ่ออย่างนี้องคุริมานท่านพ่อองคุริมานถูกพระเจ้าอุเทนกรุงโกสัมพีจับตัดหัวแล้วล่ะท่านพ่อจริงหรือนีจริงขอรับท่านพ่อตอนนี้ข่าวสะพัดไปทั่วแล้วถ้าฉชนนั้นที่เจ้าดีใจใรีบมาหาพ่อแต่เช้านี้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 พ่อก็ไม่มีอะไรจะขัดเจ้าหรอกกามันิแต่นี่เมื่อวานนี้พ่อเห็นเจ้านอนป่วยอยู่มีใชรหรือลูกหายดีแล้วท่านพ่อเจ้านี่ดือ้อจริงๆไปพักผ่อนเสียก่อนเถิดลูกรักไว้แล้วเราค่อยมาหาหรืเรื่องนี้กันอีกทีลูกหายดีแล้วขอรับเดี๋ยวลูกจะออกไปสอบถามข่าวแล้วก็จะไปตรวจดูสินค้าต่างๆในตลาดด้วย จ้องอย่าลืมว่าเจ้านั้นป่วยนะกามาเ็ดอย่าลืมที่จะคอยดูแลพักผ่อนร่างกายล่ะขอรับท่านพ่อลูกไปละวาสถิลูกออกไปพบสาตาเคียนเขาสักหน่อยไม่ได้เลยลูกขณะ น, นี้สาตาเคียนเขาเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าอุเทนนะ พและแม่ก็ลำบากใ้จริงๆลูกเอ้ยแต่ลูกไม่ได้เคยมีใจต่อเขาเลยสักนิดเดียวท่านพ่อพ่อรู้พ่อรู้ว่าเจ้านั้นรักใคร่กามมนแต่เขาก็ตายจากเจ้าไปนานแล้วนะลู ก, ก, กละกามนนิดจะไม่มีวันตายจากหัวใจของลูกไปได้หรอกท่านพ่อสัญญารักที่เรามีต่อกันแม้ความตายมาพรากเราก็จะไปพบกันที่บนสวรรค์ แล้วพ่อกับแม่ววสวัสทีเจ้าไม่คิดถึงหัว อ, อกของพ่อและแม่บ้างเลยหรือลูกลูกรักและเคารพบูชาท่านพ่อท่านแม่เสมอความรักที่ลูกมีต่อท่านพ่อท่านแม่นั้นยิ่งใหญ่นะักลูกไม่เคยนำมาปะปนกับความรักที่ลูกนั้นมีต่อกามนิสเอาเถิดเอาเถิดอย่างไรเสียพ่อก็ดีใจ ที่ลูกรักคงพ่อไม่ได้คิดอะไรสั้นๆเช่นนั้นเจ้าคิดดีทําดีแล้วละ่ะลูกเลยเพราะหาไม่แล้วพ่อและแม่ก็คงไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ได้เช่นกันหากต้องสูญเสียลูกไปเอาละ่ะพ่อจะออกไปสู้หน้าซาตะเขียนเขาเองพ่อจะปลดเขาว่าลูกคงพ่อนั้นป่วยก็แล้วกันนะ แต่นี่ท่านประธานมนตรีเขามาด้วยตัวเองพ่อและแม่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเหมือนกันลูกปราบขอโทษที่ทำให้ท่านพ่อท่านแม่ต้องมากลัดกลุ้มทุกใจเพราะลกูลกลกูกหนาลูกนี่หากเจ้าเชื่อฟังที่พ่อพรามบอกตัเกเตือนเจ้าสักนิด เจ้าก็คงไม่ต้องมานอนป่วยหนักเช่นนี้ <c oughs> ลูกลูกเสียใจ <c oughs> แต่ลูกจะรีบหายและลูกจะรีบน ง, งกองเกวียนไปกรุงโกสัมพีอย่าพึ่งคิดเรื่องอื่นใดเลยมุ่งรักษาตัวเจ้าให้าหายดีเสียก่อนเถิดพักผรให้มากมาไปเชื่อฟังที่หมอเขาสั่งให้เคร่งครัดนะลูกลูกต้องรีบไปท่านพ่อ ลูกต้องรีไปดูเจ้าสิดื้อรั้นไม่เลิกลาเลยพ่อก็พอรู้อยู่บ้างเรื่องจุดประสงค์ที่เจ้าต้องการไปกุ้งโกสัมปีพ่อก็เห็นใจเจ้าแต่เจ้าฟังคำพ่อให้ดีนะถ้าสาวน้อยคนนั้นเขารักเจ้าจริงอย่างไรเสียเขาก็ต้องรอเจ้าเจ้านอนพักผ่อนรักษาตัวจนหายเมื่อไร เจ้าก็จะได้ไปเมื่อ น, นั้นจใจเย็นๆ เ, เธอลูกรักเชื่อพ่อเธอพักผ่อนซะ